เจริญสุขท่านผู้ฟังและนักเรียนทั้งหลายวันนี้เราก็จะได้ว่ากันบทเรียนต่อไปเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้ว่ากันถึงเรื่องบทเรียนค้างไว้ในปริเฉตที่สองว่าด้วยสักกะช น, นบทและสักยวงถึงตอนที่พระเจ้าโอการาณ ได้พระมเหสีใหม่เนื่องด้วยพระมเหสีพระองค์เดิมนั้นที่วงคดคือสิ้นพรชนไปแล้วก็ได้พระมเหสีใหม่แล้วก็มีพระราชโอรสองหนึ่งเป็นเหตุให้พระเจ้าโอกราลนทรงปราโมทเป็นอย่างยิ่งจึงพลังพระโอษพระรจชาทานพระพรให้แก่พระมเหสีองค์ใหม่นั้นให้เลือกสิ่งที่ตนเองต้องการ หรือที่ตนเองประสงค์ได้เพระนาง น, นั้นก็เมื่อมาคิดดูแล้วก็เห็นว่าพระโอรสของพระองค์นั้นไม่มีทางที่จะได้ครอบครองราชบัลลังกแน่นอนเพราะเหตุที่ว่าพระราชโอรส <c oughs> ของพระมเหสีองค์เก่านั้นมีด้วยกันทั้งสี่พระองค์ด้วยกันเมื่อผ่านสี่พระองค์ไปแล้วถึงจะตกมาเป็นสิทธิของ พระโอรสของพนางเพราะฉะนั้นพนางก็จึงได้ทูลขอพระราชสมบัติแก่พระเจ้าโอกากรตาล่าพระเจ้าโอกากรตาล่าพระองค์ก็ตกพระไทยเหมือนกันไม่นึ ก, กว่าพระนางนั้นจะขอเช่นนั้นจะทูลขอเช่นนั้นพระองค์ก็ตัดห้ามแล้วก็ตัดปริพากว่าแม่นางใจร้ายเธอทําไมจึงทําจึงขอเช่นนั้นเพราะเหตุที่ว่าตามประเพณีพระราชประเพณีแล้วหรือกฎบนเทียนบานแล้ว เพือที่จะได้ครองราชสมบัติต่อไปนั้นก็ต้องเป็นพระราชบุตรองค์โตและเมื่อพระราชบุตรองค์โตผ่านไปแล้วก็ถึงวาระของพระราชบุตรองหลงรองต่อมาแต่ว่าพระนางนั้นก็ทูลว่าพระองค์ได้พระราชทานอนให้แล้วพระองค์จัดแล้วเป็น ก, กษัตริย์คืนคาไม่ได้ พระนางก็ยังคงยืนกรานที่จะขอพระราชสมบัติให้พระโอรสของพระองค์พระเจ้าโอการาชพระองค์ก็จนพระไทยม่รู้ที่จะทําอย่างไรเพราะว่าพระองค์นั้นในพลังพระโอตัไปแล้วจึงได้เรียกราชบุตรและราชบุตรีทั้งเก้าพระองค์มาพระองค์ก็จึงได้เล่าความจริงให้ฟังแล้วก็ให้พระราชบุตรและพระราชบุตรีนั้น ช่วยรักษาคำสัตย์ของพระองค์คือขอให้พระราชบุตรในพระราชบุตรีทั้งเก้าพระองค์นั้นออกไปสร้างเมืองอยู่ใหม่ไปสร้างพระนครอยู่ใหม่มีตามในพระพุท ธ, ทธประวัติท่านกล่าวไว้เช่นนี้แต่ในปรถมสมโพธนั้นท่านกล่าวเป็นในว่าพระเจ้าโอกะกะราชได้บอกกับพระราชโอรสของพระองค์ว่า ตอนที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่นี้ขอให้เจ้านั้นออกไปไปสร้างพระนครอยู่ใหม่ก่อนต่อเมื่อบิดานี้สิ้นพระชนหรือว่าที่วงศ์คดไปแล้วให้กลับมายิดราชสมบัติใหม่พระราชบุตรและพระราชธิดาทรงเห็นพระทยัย <c oughs> ของพระราชบิดาก็จึงได้ ปราทูลาพร้อมกันทั้งเก้าพระองค์พระราชินทูลาพระราชบิดา น, นั้นก็ออกจากพระนครที่จะไปแสวงหาที่สร้างพระนครใหม่ก็จึงได้ยกใจตรรงเกษเนาออกไปจา ก, ออ ก, จากพระนครไปขึ้นไปทางทิศเหนือนใกล้ๆ ก, กับภูเขาหิมาพา น, นั้น ปรากฏว่าประชาชนในพระนครของพระเจ้าโอการกาชนั้นรู้หรือว่าทราบความเช่นนั้นแล้วก็จึงได้ติดตามไ ป, ไปเป็นอันมากท่านกล่าวไว้ว่าเดินวันทางไปนั้นสิ้นระยะสามยอดประชาชนยังไม่พ้นไปจากพระนครก็เดินขึ้นไปทางเหนือทางภูเขาหิมพ่านเสร็จแล้วพระราชโอรสทั้งสี่พระองค์นั้นก็มาคิดว่า พวกคนทหารหรือว่าเจ้าตัวรองเรด็จนาของเรามากมายเหลือประมาณเราสามารถที่จะไปแย่งชิงพระนครของกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าเพราะเหตุใดเราถึงจะไปแย่งเขาเราก็เป็นผู้ที่มีความสามารถเหมือนกันเราควรที่จะสร้างพระนครอยู่ใหม่ดีกว่าเมื่อคิดเช่นนี้แล้วก็จึงได้เดิจึงได้แสวงหาที่ที่จะสร้างพระนคร ก็จึงได้พระราชดําเนินพร้อมด้วยจัตรรงค์เสนานั้นไปทางทิศเหนือไปใกล้ภูเขาหิมะพานซึ่งในสถานที่นั้นมีกบิลดาบทองค์หนึ่งกบิลดาบบทผู้นี้ได้ถือบงคเพนพลดอยู่ที่ในอาประเทศแห่งภูเขาอภูเขาหิมะพานนั้นกบิลดาบดผู้นี้ เป็นพระโพธิสัตว์เรามารู้จักคำว่าโพธิสัตว์กันเส ก, ก่อนคอําว่าโพธิสัตว์นั้นหมายถึงว่าสัตว์ที่จะตัดสืบในการข้างหน้าคือบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะตัดสืบเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการขาึ้นนาเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าองค์พระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นก บ, บิลดาบทองค์นี้ก็ได้แก่พระพุทธองค์หรือพพุทธเจ้าของเรานั่นเอง ซึ่งในขณะที่กําลังบําเพ็ญบา ร, รมีอยู่นั้นได้ถือกําหมดเป็นกบิลดาบทเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นก็เป็นคนหรือว่าเป็นกบิลดาบทนี้ก็จึงได้ชื่อว่าโพธิสัตว์ถ้าหากว่าในชาติใดไปเกิดเป็นสัตว์เลี้นก็ใช้คำว่าโพธิสัตว์เหมือนกันเช่นเราจะได้ยินคําว่าช้างโพธิสัตว์หรือวานนอนโพธิสัตว์เหล่านี้เป็นต้นกบิลดาบทนี้เห็นพระราชโอรส พร้อมด้วยพระราชจิิดายกจ้าตโรงข้าเสนาเป็นจํานวนมากมานั้นก็ใครอยากจะทราบว่าจะไปหน้าที่แห่งใดก็จึงได้ไปทูลถามอาความประสงค์ในการที่ยกจ้าตโรงข้าเสนาออกมาพระราชเจ้าพระราชโอรสทั้งสี่พระองค์นั้นก็จึงได้กล่าวตอบท่าว่า ต้องการที่จะไปหาสถานที่สร้างเมืองสร้างพระนครขึ้นใหม่เมื่อทราบดังนั้นแล้วก บ, บิลดาบดก็จึงแนะนำว่าให้สร้างในตรงที่สถานอันเป็นที่อยู่ของตัวเองซึ่งก บ, บิลดาบดนี้ปลูกอาสมอยู่สถานที่ก บ, บิลดาบดนั้นปลูกอาสมอยู่นั้นเป็นมงคลสถาน คือปลูกอยู่ในดงไม้สักกะหรือสากะไม้สักกะหรือสากะนี้ท่านนักศึกษาคุณเข้าใจด้วยบางคนไปเข้าใจว่าได้แก่ไม้สักดงไม้สักคือภาษาไทยเราเนี่ยถ้าหากว่ามีอักษรสองตัวซ้อน ก, นกันก็มักจะลบสัตัวหนึง่งเช่นคำว่าเขตตะเนี่ยสมัยก่อนเราใช้เขียนว่าสระเอขอตอแล้วตอกัน แต่สมัยนี้เราก็ลดสะตัวหนึ่งเหลือต่อตัวเดียวเพราะฉะนั้นบางอบางท่านนั้นก็เขียนคําว่าสักดะเนี่ยลดตัวก็ตัวก็เหลือคําว่าศัก์เฉยเมื่อผู้ไม่รู้มาอ่านเข้าก็เข้าใจว่ากษัตริย์พระราชบุตรทั้งห้าพระองค์นี้สร้างพระนครขึ้นใหม่อใหม่นั้นขึ้นสร้างขึ้นใหม่ในดงไม้ศักด ความจริงสักกะก็ไม่สักเนี่ยผิดกันมากสักกะหรือสากะเนี่ยที่ตามที่ตำนานท่านกล่าวไว้ว่าที่ก บ, บิลดาบทนั้นเห็นว่าต้นสักกะหรือสากระเนี่ยขึ้นเวียนเป็นทักคินาวัตคือเวียนขวาวนขวาก็มองดูแล้วว่าชายัยภูมินี้เป็นสถานที่เป็นมงคลสถานก็จึงได้สร้างอาสมอยู่ที่ที่นั้นเมื่อเราได้รับคําเช่นนี้แล้วเราจะทราบได้ว่า ธรรมดาไม้สักนะมีไม้ที่ขึ้นเวียนเป็นทักกินาวัดเพราะฉะนั้นไม้ที่จะขึ้นเป็นเวียนเป็นทักกินาวัดวัดได้นั้นต้องเป็นไม้ประเภทที่เรียกว่าเป็นเถาหรือเป็นเครือนะซึ่งมีลำต้นอ่อนถึงจะเวียนเป็นทักกินาวัดได้สาหรับคําว่าไม้สั ก, กะหรือสา ก, กะเนี้ผู้บรรยายนี้ได้มาได้ได้ฟังมาหรือว่าได้ไปเรียนรู้มาด้วยตนเองนะที่ ประเทศอินเดียคือครั้งหนึ่งตอนที่อยู่ฮอสเทนที่ประเทศอินเดียนั้นที่นารันทานั้นก็มีแม่ค้าคนหนึ่งชาวบ้านได้นําผักมาขายยังฮอสเตนเป็นประจําวันหนึ่งก็นําพวกผ ล, มกลไม้และพวกผักต่างๆนาน า, น า, นานเนี่ยก็มาขายก็เห็นเขาแกก็ร้องเลยว่าสมยี้สากแค่สาผู้เรียนก็สงสัยว่าไอ้คําว่าสากนั้นนั้นหมายถึงว่า ต้นไม้ชนิดใดหรือว่าผลไม้ชนิดใดก็จริงเข้าไปดูนะปรากฏว่าเป็นพวกผักคือมีทั้งพวกผักเป็ดแดงผักตะเจี๊ยบผักอะไรทุกอย่างคือรวมเรียกแล้วคําว่าสักกะหรือสากระนี่แปลว่าผักผักซึ่งเราใช้มาเป็นอาหารใช้สําหรับเครื่องแกงนี่เองนะเพราะฉะนั้นคําว่าสักกะลงไม้สักกะนี่ก็คือว่าปลูกอยู่ในดงผักนี่เพิ่งเข้าใจอย่างนั้นด้วย ในสถานที่นี้ก บ, บิลดาบทได้บอกได้ทูลกับพระราชบุตรและพระราชินดาทั้งก้าพระองค์ว่าสถานที่นี้เป็นมูมคลคลสถานต่อไปในการข้างหน้าพระนคร น, นี้จะเป็นพระนครที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแม้คนจันทานที่เกิดในพระนคร น, นี้ก็สามารถที่จะสู้หรือมีอำนาจมากกว่าคนที่เกิดในวัรณะกษัตริย์หรือวัณณะพลมัม ในสถานที่อื่นนั้นได้ถึงร้อยคนพันคนนับว่าเป็นชัยมงคลหรือเป็นสถานที่ทอ่าเป็นมงคลอย่างมากก็จึงให้สร้างพระนครขึ้นในสถานอันเป็นที่อยู่ของตนคือที่อาสมแล้วก็ให้ตั้งพระนครนี้ชื่อพนครนี้ว่ากบิลพัฒนี่เพราะฉะนั้นเมื่อราชบุตรราชโอรส ได้สร้างพระนครขึ้นแล้วในสถานที่นั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จึงได้ให้ชื่อพระนครของตัวเองซึ่งเป็นเมืองหลวงว่ากบิลพัทความจริงเมืองหลวงที่ชื่อว่ากบิลพัทนี้ก็มาจากมูลเหตุสองประการที่ได้ชื่อว่ากบิลพัทอันนี้นักศึกษาเพึงฟังให้ดีที่ชื่อกบิลพัทนั้นอ่ากบิลพัทนั้นกบิลละเป็นชื่อขอ ง, ของดาบด พัสุหรือวัตถุนั้นแปลว่าสถานที่หรือว่าเนื้อที่เพราะฉะนั้นเหตุที่พระนครนี้ได้ชื่อว่ากบิลพัฒน์นั่นก็เพราะเหตุสองประการคือประการที่หนึ่งสร้างขึ้นในสถานหรือว่าในเทือกเนื้อที่อันเป็นที่อยู่ของกบิลดาบดเพราะฉะนั้นก็จึงได้ตั้งนามเพื่อเป็นอนุสร์แก่กบิลดาบดว่ากบิลพัฒนมีประการหนึ่งประการที่สองนั้นก็สร้างขึ้นตามคําแนะนํา ของกับบิลดาบทเช่นกันก็จึงให้ชื่อว่าก บ, บิลพักเพื่อเป็นอนุสอ์อันนี้เป็นหลักธรรมดาเหมือนกับคนใดคนหนึ่งบริจาคซักสร้างอฐานวาวัตถุในพุทธศาสนาเราก็มักจะใช้สถานหรืออาคารชื่อนั้นเป็นชื่อของผู้สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนี่เมื่อสร้างเสร็จแล้วนี่เป็นชื่อของมนาณกร เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จึงได้ตั้งชื่อของชนบทชนบทนี่คือแว่นแควนนะคือแว่นแควนเพราะฉะนั้นกบิลพัทนี่ก็อยู่ในแว่นแควนซึ่งในแว่นแควนนี้ตั้งอยู่ในดงไม้สักกะหรือสา ก, ก ะ, ะก็เรียกตามชื่อสถานที่ก็จึงได้ชื่อว่าแว่นแควนหรือสักด์ชนบทนั่นเองเพราะเหตุที่ว่าชนบทนี้ตั้งอยู่ ในดงไม้สักกะหรือสากะนั่นเองนี่เราก็ได้ฟังแล้วตำนานแห่งสักตะชนบทนั้นที่ได้ชื่อว่าสักตชนบทเพราะเหตุที่ว่าตั้งอยู่ในดงไม้สักกะเสร็จแล้วเมื่อสร้างพระนครเสร็จอเสร็จขึ้นแล้วตัมมาทั้งหลายที่ติดตามไปที่พระเจ้าโอกาการาชให้ไปกับพระราชโอรสของตัวเองเพื่อได้สั่งสอนถึงประเพณี ของ ก, กษัตริย์นั้นด้วยการทั้งแปดองค์คนด้วยกั น, น, กนผู้อํามรรคคือพบเป็นพรามก็พิจารณาว่าพระนครใดก็ตามที่มีแต่ ก, กษัตริย์ไม่มีพระมเหสีพระนครนั้นก็ไม่สามารถที่จะรุ่งเรืองหรือวยั่งยืนสถาพร อ, อยู่ต่อไปได้เพราะเหตุที่ว่าไม่สามารถที่จะมีพระราชโอรสสืบสกูลต่อไปก็เห็นว่า พระราชโอรสทั้งห้าพระทั้งสี่พระองค์นี้จเจริญวัยพอสมควรที่จะอภิเสกสมรสได้แล้วควรที่จะไปขอพระนางอ่านางกษัตริย์แห่งตระกลูลอื่นมาอภิเสกสมรสเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> เห็นพร้องค์ชนนี้แล้วก็นําความเช่นนี้ไปกราบทูลด่า พ, พระราชโอรสทั้งสี่พระองค์พระราชโอรสทั้งสี่พระองค์ฟังแล้วไม่ทรงเห็นด้วย เหตุที่ไม่ทรงเห็นด้วยนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าพราะองค์นั้นไม่เชื่อแน่ว่านางกษัตริย์ที่เกิดในวงอื่นหรือในตระกูลอื่นนั้นน่ะจะเป็นกษัตร100ิย์ร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่คือเรียกว่าจะเป็นกษัตริย์โดยแทหรือไม่ที่เราเรียกว่ า, เ, าเรียกว่าบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคือเรียกว่าอุปโตชาติบริสุทธิ์โดยอุปโตชาติคือทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายบิ ด, ดาและมารดา นางกษัตริย์บางอ่ะบางพระองค์นั้นน่ะอาจจะบริสุทธิ์เพียงฝ่ายบิดาเท่านั้นคือบิดาเป็นกษัตริย์แต่อภิเศกสมรสกับสามัญชนเมื่อเกิดพระราชกิจธิดาขึ้นมานั้นก็นับว่าเป็นนางกษัตริย์เหมือนกันแต่ว่าไม่มีเลือดของกษัตริย์ที่เข้มข้นถึง100ร้อยเปอร์เซนเพราะเหตุที่ว่าไปอภิเศกสมรสกับสามัญชนทั่วไปต้องการที่จะได้นางกษัตริย์ ซึ่ทั้งมารดาทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาเป็นกษัตริย์ทั้งคู่เพื่อจะให้เลือดของกษัตริย์นี้เข้มขน้นเพราะฉะนั้นตัวเองก็ไม่ไมีไม่มีความประสงค์ที่จะแต่งงานกับกษัตริย์วงอื่นมีความประสงค์ที่จะอภิเษกสมรสกับพระจนิถาพคินีของตนเองคือผู้งายน้องสาวของตัวเองคือกษัตริย์วงนี้นั้นนะ่ะมีราชอ่ามีราชโอรสคือผู้อา ผู้ชายนั้นอนะ่ะห้าสีพระองค์ด้วยกันแต่ว่าที่เป็นพระธิดาคือผู้หญิงนั้นห้าพระองค์นะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความประสงค์เช่นนี้แล้วผู้อมตทั้งหลายก็เห็นตามด้วยดังนั้นกษัตริย์วงนี้ก็จึงอภิเสกสมรสกันระหว่างพี่น้องคือผู้ง่ายๆก็คือว่าพี่ชายแต่งงานกับ น, น้องสาวแต่ในบรรดาธิดาทั้งห้าพระองค์นั้น หรือว่าในตระกูลนี้ที่เป็นองค์โผปีนั้นเป็นเป็นพระธิดาจึงเว้นเสียเว้นพี่สาวคือว่าน้องชายจะไม่ยอมแต่งงานกับพี่สาวยกพี่สาวไว้ในฐานะเป็นพระราชมารดาเพราะฉะนั้นมีพี่สาวใหญ่ในฐานะเป็นพระราชมารดาองค์เดียวเท่านั้นนอกนั้นพี่น้องสี่คู่ก็จึงได้อภิเสกสมรสสิ้นกันกน เพราะฉะนั้นเมื่อพิเศษสมรสึ่งกันและกันแล้วก็จึงได้ตั้งวงสืบมาวงของกษัตริย์วงนี้จึงชื่อว่าสากยวงศตั้งชื่อว่ากษัตริย์วงนี้ว่าสากยวงมูเหตุที่ได้ชื่อว่าสากยาวงนั้นเพราะเหตุสามประการขอท่านนักศึกษาฟังให้ดีๆเหตุที่จะได้ชื่อว่าสากยาวงนั้นเพราะสะเพราะเหตุสามประการประการที่หนึ่ง เพราะกษัตริย์วงนี้นั้นตั้งอยู่ในสักกะชนบทตั้งอยู่ในสกกะชนบทก็จึงได้ชื่อว่าศากยาวงศ์เรียกว่าตั้งวงตามสถานที่เป็นที่อยู่ของตนเองเหมือนกับคนเราหรือว่าที่เราเรียกเรียกกันว่าเช่นคนจังหวัดพิษบุรีเราก็เรียกวคนเมืองเพชรคนจังหวัดจันทบุรีเราก็เรียกวคนเมืองจันทคนจังหวัดเชียงใหม่ก็เรียกว่าคนเชียงใหม่ เรียกว่าเอาเป็นเอาสถานที่หรือตัวจังหวัดนั้น่เป็นสถาน ท, ที่ที่ชื่อเรียกหรือในหนึ่งในครั้งพุทธกาลนั้นน่ะเราเรียกอพระเจ้าแผ่นดินแห่งเมืองจีงนว่ากษัตริย์กรุงจีนหรือพระเจ้ากรุงจีนเป็นต้นเอาชื่อประเทศเขาว่าเพราะฉะนั้นกษัตริย์วงนี้นั้นน่ะเป็นชาวสักกะชนบทจึงได้ชื่อจึงได้ชื่อวงว่าสากยวงศ์ มีประการหนึ่งประการที่สองกษัตริย์วงนี้อภิเสกสมรสเราการเองระหว่างพี่น้องหรือที่รเราเรกว่าสมสู่กันเองซึ่งตามภาษาบาลีเราเรียกว่าสะกะสังวัตเพราะฉะนั้นก็จึงได้ชื่อวงวะสากยวงศ์แปลว่าวงแห่งกษัตริย์ผู้สมสู่กันเองระหว่างพี่น้องนี่เป็นประการที่สองประการที่สามนั้นภายหลังต่อมา พระเจ้าโอกาตลาล่านั้นก็จึงได้สืบถามพว้อมทั้งหลายว่าพระราชบุตรพระราชธิดาของพระองค์นั้นซึ่งออกจากพระนครไปสร้างพระนครขึ้นใหม่นั้นบัดนี้พระนครนั้นกําลังลุ่งเรือยงจำเลยดีหรือไม่พว้อมทั้งหลายก็กลาวทูลว่าพระราชบุตรพระราชาธิดาของพระองค์นั้นไปสร้างพระนครขึ้นใหม่เป็นพระนครที่กําลังมีชื่อเสียงลุ่งเรืองมาก พระเจ้าโอกากราชพอได้ทรงสดับเช่นนั้นก็ออกพระโอษฐ์ชมพระราชบุตรพระราชชนิดพิดาของพระองค์ว่าเป็นผู้มีความสามารถอาจหาเหลือเกินเพราะฉะนั้นคําว่าสามารถหรืออาจหานีตรงกับภาษาบาลีว่าสักตาในกระสับทั้งเก้าพระองค์นี้ก็จึงได้ถือเอาพระดํารัสของพระราชบิดานั้นเป็นมงคล น, นิมิตเป็นสติมงคลตั้งวงกษัตริย์ ของตนสืบมาว่าสากยวงนี่สากยวงนี้มีเหตุมาด้วยเหตุสามประการด้วยกันจึงไป้ตั้งชื่อว่าสากยวงส่วนพระราชธิ ด, ดานอส่วนพระเชษฐภคินีคือพี่สาวองค์ใหญ่นั้นภายหลังต่อมาก็มีจิตปฏิพัตและได้อภิเษธสมรสกับพระเจ้ากรุงเทวทหะ แล้วก็ได้ตั้งเป็นโกริยะวงสืบต่อมานะตั้งเป็นโกริยวงสืบต่อมาเมื่อพูดถึงประวัติของสากยาวงแล้วก็ควรจะพูดถึงประวัติโกริยะวงบ้างเพื่อที่จะได้เข้ากันหรือสมกันว่ามูลเหตุที่ตั้งชีว่าโกริยะวงนั้นมาอย่างไรอันนี้ขอเล่าเรื่องโกริยวงทั้งน่อยเรื่องของโกริยาวงก็คือว่า อยู่ต่อมานั้นน่ะพระพี่นางาพระองค์โตองค์โตนั้ น, เ, นเกิดเป็นโลกเลื่อนขึ้นพระนางก็เห็นว่าการที่พระนางเป็นโลกเลื่อนก็อายกับประชาชนทั่วไปและประการหนึ่งก็เห็นว่างหาพระนางยังอยู่ในเมืองอยู่นั้นน่ะพวกน้องๆ้องชายหรือน้องน้องสาวนั้นน่ะก็จะเกิดความน้ายว่าตนเองมีพี่สาวเป็นโลกเลื้อน ก็เลยพนานั้นก็ในประเทศตนเองเออกไปอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งโดยที่ขอร้องน้องชายว่าถึงเจ็ดวันหรือสัปดาห์หนึ่งขอให้นําอาหารเนี่ยไปส่งแล้วพนามก็อยู่พระองค์เดียวหุงหาอาสเสวยองค์เดียวโดยที่ไม่มีคนชายติดตามไปด้วยก็ไปอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งแล้วก็ น้องชายทั้งหลายก็ได้สั่งให้ช่างนั้นไปทําำถ้ำแห่งนั้นทําประตูเป็นที่ปิดเปิดเพื่อกันภัยอันตรายแล้วถึงสัปดา์หนึ่งหรือเจ็ดวันครั้งหนึ่งก็ได้นาเอาพวกสเสบียงพลังเพื่อข้าวปลาอาหารนั้นไปส่งพระนางก็ได้อยู่ในถ้านั้นเพียงพระองค์เดียวซึ่งต่อมาต่อมาพระเจ้ากรุงเทวทหะนี้พระองค์ได้ครองราชอยู่ที่กรุงเทวทหัมีพระราชโอรสอยู่พระองค์หนึ่ง ต่อมาพระมเหสีของพระองค์นี้ก็ที่วงคตและพระองค์ก็ได้เป็นโลกเลื่อนเช่นกันต่อมาพระองค์ก็เกิดความละอายก็จึงได้สละราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสของพระองค์แล้วพระองค์ก็ออกประพ า, าเรียกว่าเป็นพานภัยไปเลยอยู่ป่าก็ไปอาศัยอยู่ที่ต้นกระบเอาต้นหนึ่งซึ่งต้นกระบเอาเป็นต้นอ่าเป็น เป็นต้นไม้เก่าแก่เป็นพโพรงพระองค์ก็ได้ไปอาศัยพโพรงไม้กระเบานั้นโดยที่ทําเป็นลังคาป้องกันแดดและฝนอยู่ต่อมาต่อมาพระองค์นั้นก็เกิดเบื่อนหนายในชีวิตก็คิดจะปลงพระชนม์ชีวิตของพระองค์เองโดยการที่จะพระองค์ทรงทราบว่าลูกกระเบาเนี้เมาเมื่อเสวยไปแล้วม า, มากๆแล้วสามารถที่จะทําลายชีวิตได้ พระองค์ก็จึงได้เก็บลูกกระเบานี้รวบรวมมาก็สวยแต่ปรากฏว่าเมื่อพระองค์ฟืน้นมาแล้วตื่นจากบรรพมแล้วปรากฏว่าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่แล้วโรคเรือนนั้นก็ค่อยๆหายไปหายไปพระองค์เมื่อทราบเรนี้แล้วก็จึงได้ยสวยผลกระบาเนี่ยจนกระทั่งหายสนิทเมื่อพระองค์หายดีแล้วแทนที่จะคิดกลับพระนครก็เลกว่าต้องการที่จะเที่ยวดูธรรมชาติในป่า เมื네่อเที่ยวไปเที่ยวไปพอถึงอตอนเวลากลางคืนพระองค์ก็เสด็จไปบนทุบนคาคบไม้คืนหนึ่งกเ็เสด็จมาในที่ใกล้สถานที่อยู่ของพระพระพี่นางองค์แห่งสกักยะนี้พระองค์บรนทมอยู่บนคาคบไม้คืนนั้นก็ได้ยินว่ามีเสือมีสัตว์ไล่ตัวหนึ่งมาตะกุยที่หน้าธรรมก็ได้ยินเสียงเป็นผู้หญิงน่ะไล่ตว่าสัตว์ พระอะพระองค์นั้นก็กําหนดได้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงของมนุษย์เป็นเสียงของหญิงก็ได้จึงกําหนดทิศทางไว้เมื่อลุ่งขึ้นเช้าพระองค์ก็จึงได้เสด็จไปตามเสียงนั้นก็ไปเห็นมีถ้ำมีประตูก็นึกว่าต้องมีคนอยู่แน่ก็จึงได้ไปเคาะพระนางผู้อยู่ข้างในก็ถามว่าท่านเป็นใคร <c oughs> พระเจ้ากรุงเทวทหานั้นก็บอกว่าพระองค์นั้นเป็นมนุษย์พระนานก็บอกว่าเป็นมนุษย์ไม่ต้องเข้ามาละ นมฉันไอฉันนั่นเป็นกษัตริย์พระเจ้ากรุงเทวทหะก็จึงได้บอกว่านมฉันก็เป็นกษัตริย์พระนางไม่เชื่อก็จึงให้พระเจ้ากรุงเทวทหะเนี่ยแสดงจัญยาของกษัตริย์ให้ฟังเมื่อพระเจ้ากรุงเทวทหะนี่แสดงจัญญาเสร็จแล้วอก็เป็นอันว่านางเชื่อแน่ว่าเป็นกษัตริย์ก็จึงบอกว่าข้าพระเจ้าไอไอนมฉันนั no. <S <S ่นเชื kind of ่อเพราะว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ แต่พระองค์อย่าเข้ามาเลยหมอมชันนะเป็นโลกเรือนพระเจ้ากรุงเทวทหะก็บอกว่าพระองค์ก็เป็นโลกเรือนเสร็จแล้วพนางพี่นาง น, นั้นก็จริงเปิดประตูเข้ามาพระเจ้ากรุงเทวทหะไน้นเห็นว่าพนางเป็นโลกเรือนจริงเข้าจริงๆอย่างที่ว่านั้นก็จริงได้ไปนํำเอาลูกผลกระเบาเนี่ยมาให้พนางเสวยจนกระทั่งพนางเนี่ยหายสนิทจากโลกนี้ ด้วยความเห็นอกเห็นใจกันนั้นก็จึงได้อภิเสกสมรสกันจึงได้จึงได้สมสู่กันด้วยความรักความเห็นใจนั้นอยู่ต่อมานั้นอมาตะในพานป่าของทางกรุงเทวทหะออกหากินทางป่านั้นก็ไม่เห็นพระเจ้ากรุงเทวทหะเขาก็จําได้ก็จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลประศัตรผู้เป็น พระโอรสของพระเจ้ากรุงเทวทห่าว่าได้พบพระบินดาของพระองค์และบัตรนี้หายจากโลกเรือนแล้วพระเจ้ากรุงเทวทหะผู้เป็นลูกชายผู้เป็นพระราชโอรสนี้ก็จึงได้ยกเป็นพระหุพระหุพระโหรโยธาออกมาเพื่อจะรับพระราชบิดาแต่พระราชบิดาเห็นว่าธรรมดาลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงนั้นน่ะเห็นจะเข้ากันยากก็จึงไม่ยอมเสด็จเข้าเป็นแต่เพียงว่าขอให้ในช่างที่มาสร้างพระนครขึ้นใหม่ พระองค์ก็นึกถึงอ่าคุณของต้นกระเบ่านที่พระองค์ได้อาศั ย, ยพักผ่อนแล้วก็ได้อาศัยรักอรักษาโลกจนหายนั้นก็จึงให้สร้างพระนครขึ้นใหม่ที่ใกล้ๆต้นกระเบ่านั้นแล้วก็จึงได้ตั้งวงขึ้นมาว่าโกริยวงศ์เพราะเหตุที่ว่าคําว่าไม้กระเบ่านั้นตามภาษาบาลีว่าโกรักแปลว่าไม้กระเบา น, นาาาบาาบาจึงได้ตั้งวงต่อมาเรียกว่าโกริยวง์ นี่เป็นประวัติแห่งการอ่อราสืบซากมาแห่งโกาหลีอวงเอาละท่านผู้ฟังและก็ท่านนักศึกษาทั้งหลายวันนี้อาตมาก็อาวันนี้ก็ขอจบบทเรียนไว้แค่นี้ขอความเจริญพระสุขจงมีแก่ท่านโดยทั่วกันสวัสดีเจริญสุขท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาทั้งหลาย ในครั้งที่แล้วนั้นก็ได้ให้บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องสากยะวงและโกริยาวงวันนี้เราก็จะได้ว่ากันบทเรียนต่อไปสกอาชนระบทนั้นที่ปรากฏชัดๆนั้นในตำนานมีแค่สามพนครเท่านั้นเองคือหนึ่งนครเดิมของพระเจ้าโอกากราด สองนคนกรกบิลพัทแล้วสามนาครเทวทหะแต่ท่านพระมหาสัมนาเจ้าท่านก็ได้วิจารณ์ไว้ว่าน่าจะมีมากกว่านี้คือน่าจะมีสักอย่าง น, น้อยก็หกพระนครก็เหตุที่ว่ า, าเป็นพระนครของพระเจ้าโกกัลกลาชแล้วก็กริยาแทงกษสากยะอีกสีพระองค์น่าจะแยกกัน สร้างหรือว่าอยู่คนละพนครแล้วก็พระพี่นางใหญ่คือกรุงเทวทหักแต่ก็ไม่ปรากฏชื่อในตำนานรู้สึกว่าจะาเล่าแคบไปแต่อาจจะมีอีกสอย่างอีกสมีอีกสักแห่งหนึ่งที่เราเรียกว่ า, ารามาคามนะแต่ว่าในมหาปริพานสูตรนั้นท่านเรียกว่าพวกรามาคามนี้เป็นพวกฝ่ายโกลิยะ พระนครเหล่านี้จะมีวิธีปกครองอย่างไรนั้นท่านก็ไม่ได้กล่าวไว้ชัดแต่สันนิษฐานตามประเพณีว่าชนบทนี้น่าจะปกครองโดยสามัคคีธรรมเหมือนกับธรรมเนียมของในแว่นแควนวัดชีและแว่นแควมนมลลน่าจะปกครองแบบนั้นคือชาวชาวัดชาววัชีเนี่ยหรือชาววันมนลลเนี่ยวิธีปกครองนั้นก็ปกครองโดยสามัคคีธรรม คำวมาสามมากทิทำในที่นี้ก็คือพวกมรรคกษัตริย์นั้นพวกวัชีนั้นน่ะมีกษัตริย์หรือว่าเป็นลูกกษัตริย์เดียกันน่ะสาสิบสามพระองค์โดยสามสิบสามพระองค์นี้ยกผู้ที่มีอาวุโส ข, ขึ้นเป็นประธานคือเป็นกษัตริย์แต่เมื่อมีราชกิจหรกิ จ, จา ก, การงานอันใดก็ตามเกี่ยวกับพนักงาเกี่ยวกับบ้านเมือง น, นั้นจะตีละขังประชุมกันในสันถารขานันคือหอประชุมหรือที่เราเรียกกันว่ารัฐสภาเนี่ย ทั้งสามสิบสามพระองค์แล้วก็ได้ตกลงกันว่าจะเอากันแบบไหนจะปกครองหรือว่าจะปฏิบัติกันแบบไหนปรากฏที่ว่าปกครองแบบนี้เนี่ยทําให้แว่นแคว้นวัชีนี่ซึ่งเป็นแว่นแคว้นที่เล็กแต่พระเจ้าอาชาตตรูนี้ยกกองทัพไปปราบถึงสามครั้งไม่สามารถที่ทาได้เพราะเหตุว่าแว่นแคว้นนี้มีความสา ม, มัคคีกัน เมื่อมีภัยสงครามเข้ามาประชิดติดเมืองก็ปลาเอาก็เรียกประชุมกันจะต่อต้านกันด้านไหนก็ช่วยกันนี่เรียกว่าปกครองโดยแบบสามัคคีธรรมหรือที่เราจะอาจจะเรียกกันได้ว่าแบบประชาธิปไตยก็พอได้แต่ว่าเป็นส่วนเป็นส่วนจํากัดเฉพาะในวงของกษัตริย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นในกรุงกบิลพัทนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะปกครองโดยวิธีนี้นะปกครองโดยวิธีนี้ คือแบบอาสามัคคีทมแบบนี้สกตะชนบทนี้เข้าใจว่าคงจะเป็นเว้นแคว้นที่ไม่ใหญ่โตเท่าไหร่นะเพราะในบาลีอุโบสถสดอันในโบสถ์ทศนั้นท่านก็มีได้ระบุไว้มาสมัยที่อ่าสมัยพระบรมศาสดานั้น บางครั้งก็ได้ตั้งเป็นอิสระแต่บางครั้งก็อยู่ใต้อำนาจของแควน้นแคว้นกุศลนะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าโงจะไม่ใหญ่โตมากนะักนะเรื่องนี้ก็มีเรื่องอามีครั้งหนึ่งที่ว่าพระองค์ออกบรรพชานั้นพระเจ้าพิมพิสารได้มาพบเขาก็จะถามว่าพระองค์นั้นเสด็จออกพันธุ์นวจกะกูลของพวกอาาพวกไหนพระพุทธองค์ก็อาพร ะ, ะพระมหาบุรุษนั้นก็ ตรตอบว่าพระองค์นั้นเสด็จออกผนวดจากสกุลของพวกที่เรียกว่าสักยะโดยชาตนะิและชื่อว่าอาทิตย์โดยโคตเป็นชาวชนบทอันตั้งอยู่ข้างภูเขาหิมะผานสมบูรณ์ด้วยความเพียรและหาทรัพย์ในการหาทรัพย์เด้มากเป็นทินแห่งโกศลทนบทอันนี้ก็ไปอันให้รู้ได้ว่าตกเป็นเมืองขึ้นของโกศลชนบท ต่อไปนี้ก็เรื่องการลำดับวงของพวกศากยะและโกริยะอันนี้เพื่อความเพื่อความที่จะได้ไม่สับสนว่าฝ่ายทางโกริยะกับฝ่ายศากยะนั้นน่ะมีใครบ้าง ที่เป็นบุตรของใครเป็นลูกของใครมีใครเป็นพระราชบิดาอะไรทำนองนั้นพระเจ้าโอกากราชนั้นมีพระราชบุตรีสมสู่กันเองมีเชื้อสายสืบะกูลลงมาที่เป็นที่เรียกว่าพวกสากยะนั้นนะแล้วก็สืบสายตระกูลลงมาที่เรียกว่าพวกโกลิยะคือทางฝ่ายพระเชษฐภคินีนั้นสืบสายลงมาเป็นลําดับ จนกระทั่งมาถึงทางฝ่ายศากยะนั้นก็มาถึงพระเจ้าชัยเสนะทางฝ่ายโกริยะนั้นไม่ปรากฏพระนามแต่ในใ น, ในคำพีประถงสมโพธิท่านได้กล่าวว่าพระนามของทางฝ่ายโกริยวงศ์ซึ่งเป็นคนชั้นเดียวกับ เป็นกระสับชั้นเดียวกับพระเจ้าชัยเสนนั้นทรงพระนามว่าพระเจ้าชนาทิพย์แต่พระเจ้าชนาทิพย์นี่น่าจะเป็นชื่อที่เรียกกระสั์มากกว่ากว่าที่จะเป็นพระนามของพระองค์พระเจ้าชัยเสนนี่จะมีพระมเหสีนามใดไม่ปรากฏแต่ปรากฏว่ามีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งพรานามว่าสีหันุและมีพระราชธิดาองค์หนึ่งพระนามว่ายโสธรา นะยโสทลาส่วนกษัตริย์ทางฝ่ายโกริยะวงนี้ซึ่งเป็นกษัตริย์รุ่นชั้นเดียวกับพระเจ้าสีหานุกพนางยาโสทลานี้ได้แก่พระเจ้าอัญชนะมีน้องสาวองค์พระองค์หนึ่งชื่อว่าพระนางการ น, นาหรือการนาต่อมาพระเจ้าสีหานุนี้ได้อภิเษกสมรสกับพระนางการ น, นาซึ่งเป็นพระ ที่าเป็นพระอ่ากมิทฐภพคินีคือน้องสาวของพระเจ้าอัญชนะส่วนพระเจ้าอัญชนานั้นก็ได้อภิเษกสมรส ก, กับพนางยะโสธราซึ่งเป็นน้องสาวของพระเจ้าสีหานุถ้าจะพูดกันตรงโดยตรงก็คือว่าแลกน้องสาวซึ่งกันและกันพระเจ้าสีหานุกับพนางการจานานี้ เมื่ออภิเศสมรดกันแล้วก็มีพระราชบุตรพระราชธิดาสืบตระกูลลงมานั้นเจ็ดพระองค์ด้วยกันคือหนึ่งพระเจ้าสุธโธธนะสองสุโตธนะสามอมิโตธนะสี่โทโตธนะห้าคณิโตธนะแล้วก็พระราช ธ, ธิดาสองพระองค์คือปะมิตาและอมิตาส่วนพระเจ้าอัญชนะ อภิเษกสมรสกับพระนางยะโสธรามีพระราชบุตรราชธิดาสืบต่อมาก็ได้แก่หนึ่งพระเจ้าสุปพุท ธ, ธะสองทันดาปานิแล้วก็พระราชธิดาสองพระองค์คือพระนางเจ้ามายากับประชาบดีหรือในหนึ่งเรียกว่าโคตมีพระเจ้าสุพระเจ้าสุโธธนะนั้น อภิเศษสมรสกับพนางมายามีพระราชบุตรเสดมาพระองค์หนึ่งก็ได้แก่เจ้าชายสิทธะกุมารและได้สมสู่กับพระนางประชาบดีนั้นก็มีพระราชบุตรตองคหนึ่งนามว่านันทะพระราชธิดาองค์หนึ่งนามว่ารูปานันทาส่วนสุภฟุตทะนั้นก็ได้อภิเศษสมรสกับพระนางอมิตา ซึ่งสัดสองวงนี้ถ้าจะว่าแล้วพระเจ้าสุโธนะกับพระเจ้าสุูพุทธนี้ก็แลกน้องสาวซึ่งกันและกันอีกเหมือนกันสุภพุทธกับพระนางอมิตรานี้ได้มีพระราชโอรสพระราชธิดาสืบลงมาก็คือหนึ่งพระเทวทัตแล้วพระราชธิดาองค์หนึ่งก็คือพระนางยโสธราหรือพิมพายโสธราองค์นี้พระนามชื่อเหมือนกับพระเจ้าย่าคือ ยโสธลาซึ่งเป็นน้องของพระเจ้าสีหานุก ข, ขอให้นักศึกษาอย่าได้สับสนกันพนางยาโสธลาอีกนายหนึ่งก็คือว่าพิมพาแต่ว่าชาวไทยเรารู้สึกว่าจะรู้จักคําว่าพิมพามากกว่ายาโสธลาเจ้าชายธิษากุมารนี้ได้พิเศษสมลดกับพนางยาโสธราหรือพิมพาก็มีพระราชโอรส สืบตระกูลมาองค์หนึ่งก็คือเจ้าชายราหุลส่วนในรุ่นอ่าส่วนในอ่ากระตัในรุ่นเดียวกับเจ้าชายสิทธากุมารนี้ทางฝ่ายโกริยะนั้นไม่ปรากฏว่ามีเชื้อสายสืบมาอันนี้กล่าวเฉพาะเกี่ยวกับพุทธประวัติคือประวัติของพุทธองค์เพราะฉะนั้นลำดับวงแห่งปากยระยวงนั้น อันเป็นสายตรงซึ่งเป็นสายของพระบรมศาสดา ห, หรือของพระองค์ผู้เจ้าเหล่านั้นก็มาสิ้นสุดที่พระลาหุนเพราะปรากฏว่าลาหุนนี้ไม่ได้มีเชื้อสายสืบต่อมาเพราะเหตุที่ว่าบวดเป็นสมณะนเนซมเมื่อตอนอายุเจ็ดขวบนั่นเองนี่เป็นการลําดับวงนะเป็นการลําดับวงของทางฝ่ายสากยะและโกริยะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นก็ได้ถือกำเนิดมาในชนพวกอริยกะหรืออริยกะชาตในมัชิมประเทศใ น, ในมัชชิมชนบทชุมพูตะเทศแคว้นสักกะซึ่งเกิดในตระกูลแห่งพวกสักยะผู้อดมด้วยโคตมโคตอันเป็นโอรสของพระเจ้าสุโธทนะและพะนางเจ้าสริมหามายา ก็ไปอันว่าจบบริเฉษที่สองต่อไปก็ขึ้นบริเฉษที่สามบริเฉษที่สามนี้ว่าด้วยเรื่องพระบรมภาษัาสดาประศุภพระเจ้าสุโธธนานี้ได้อภิเษสมรรกับะนางเจ้ามายาซึ่งพระเจ้าสรีห า, หานุนั้นได้ไปทูลขอพระเจ้านางเจ้าสิริมหายา ซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าอัญชนากับพนางยโสธราซึ่งเป็นน้องชายของพระน้องสาวของพระองค์เองนั <aids>. yes. ้นน่ะมาอภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุโธทนะเมื่อจํำนาเมื่อตอนที่พระเจ้าสุโธทนะกับพนางเจ้าสิริมหามายานีมีอายุสิบหกพรรษา พระนางเจ้าสรีมหาไมยาพระนา ง, งเจ้าสรีมหามายากับพระเจ้าสุโทโธนาณีนได้อเสวยที่ลมสุขสืบต่อมาจนกระทั่งพระบรมศาสดาของเรานั้นก็ได้ถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางมายาในการถืออ่าในการที่จะลงมาสู่ปฏิสนธินี้ในตำนานท่านได้กล่าวไว้ว่าพระนางเจ้าสรีมหามายานี้ ถือศีลห้าเป็นประจำเมื่อวันถึงวันอุโบสถคือวันพระก็จะรักษาศีลแปดในการขั้นหนึ่งซึ่งเป็นวันอุโบสถคือในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดที่เราเรียกว่าอาสาลหะมาภพระนางก็ได้บำเพ็ญศีลแปดประการในตอนเช้ารับศีลแปดประการแล้วพระนางก็ได้รักษาศีลอุโบสถแปดประการ เมื่อถึงในตอนเย็นก็เข้าบรรทมในขณะนั้นพระนางก็ได้ทรงนิมิตฝันไปในเวลาใกล้ค่ำลุงว่าได้มีท้ามหาราชทั้งสี่นั้นมายกพระนางไปพร้อมทั้งเตียงบรรทมไปยังป่าหิมะพานใกล้สะชัดทันแล้วก็ให้ได้มีนางอานางเทพิดานั้นให้พระนางนั้นได้ทรงสนานในสะชัดทันนั้นเพื่อให้หมดกลิ่น สาบของมนุษย์และให้ทรงเครื่องอันเป็นทิพย์นำขึ้นไปบรรทมบนภูเขาอ่าภูเขาอภูเขาทองอภูเขาทองแห่งหนึ่งในขณะที่นาบรรทมอยู่นั้นก็ใกล้ๆก็มีภูเขาเงินแห่งหนึ่งนั้นก็มีพญาช้างเผือกตอนหนึ่งซึ่งขาวปลอดงวงนั้นถือดอกบุญธลิกคือดอกบัวขาวลงมาจากภูเขาเงินนั้นก็ขึ้นมาสู่ภูเขาทอง มาถึงที่ผนังบนทมนั้นก็กระทําประทักสินและประทําปรนหนึ่งว่าเข้าไปสู่พระคันของผนงังในทางเบื้องขวาผนังก็จึงได้บนธงตึงขึ้นซึ่งในขณะนั้นเป็นระยะการที่พระโพธิสัตว์นั้นได้จุติจากบุษิเทวโลกมาปฏิสนธิในพระคันของผนงังเจ้ามายา แล้วทำให้เกิดแผ่นดินไหวพระนางเจ้าสตรีมหามายานั้นได้ทรงมพระคันมาจนกระทั่งครบท้วนทศมาศคือสิบเดือนอพระคันธรจนาจารย์พระตกระถาพระคันแอนพระตกรถาจารย์ท่านก็จึงได้กล่าวว่า ในวันพระนางนั้นมีความประสงค์ต้องการจะประาพาสพระราชอุทยานสวนลุมพินีวันก็จึงได้ทรงขออนุญาตพระเจ้าสุโธทนะพระเจ้าสุโธธนะนั้นก็เพื่อจะไม่ต้องการไม่เป็นที่อไมทขัดพระทัยของพระนางนั้นก็ทรงอนุญาตเพราะฉะนั้นในตอนเช้าวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกที่เราเรียกว่าวันวิสาขบุรมีนั้น พระนางเจ้าสิริมหามายาก็จึงได้เสด็จโดยสทรมาศโดยที่พร้อมด้วยบริวาร น, นั่งเสลียงไปป่าลุมพินีวันแล้วเสด็จประพาสอยู่ในขณะที่เสด็จประพาสอยู่นั้นก็ประชวนพระคันพวกอมมาทั้งหลายไม่ทราบว่าจะทำอย่างไงได้ก็จึงได้จัดถวายให้พระนางประสูติที่ภายใต้ตนสละตามมีตามตามืน นี่เป็นมติของพระตกถาจาันทร์แต่มติของท่านพระคันธโรตนาจานทร์นั้นกล่าวว่าการที่พระนางเจ้าสตรีมหามายาไปประสูตรที่สวนลุมพินีวันนั้นนะ่ะไม่ใช่ไปเพราะเหตุที่ว่าต้องการจะไปประพาสพระราชุทยานแต่พระนางนั้นต้องกระปรารถนาจะเสด็จไปเยี่ยมสกุลของพระองค์คือกรุงเทวทหันะกรุงเทวทหั อันนี้เป็นประเพณีของพราหมณ์พราหมณ์หรือว่าคนชาวิเนเยรีนี่มีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งว่พาพอแต่งงานแล้วเขาไปอยู่บ้านสามีแต่เมื่อมีครันแก่ใกล้จะคลอดแล้วจะกลับมาคลอดบ้านเดิมของตัวเองคือว่าจะคลอดในบ้านของสามีนั้นตนเองก็ไม่ไว้ใจเพราะว่าการคลอดบุตรหรือการคลอดลูกนี้เป็นการเสี่ยงชีวิตเหมือนกัน แล้ว ก, ก็การที่คลอดบุตรคลอดอการคลอดบุตรนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยสะอาดไม่ทราบว่าแม่ของสามีหรือว่าน้องสาวของสามีเนี่ยจะช่วยเหลือตนเองนั้นน่ะอย่างเต็มใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะถึงอันตรายชีวิตได้ดังนั้นจึงนิยมกลับมาคลอดที่บ้านตัวเองเพราะยังไง ย, ยังไงก็แม่ของตัวเองนั้นเรื่องลูกทิ้งไม่ได้หรือพี่สาวน้องสาวของตัวเองก็พอที่จะช่วยเหลือได้ในฐานะเป็นสายเลือดเดียวกัน พระนางเจ้าสตรีมหาม า, าเนี่ยก็มีประสงค์เช่นนี้เหมือนกันจึงได้ทูลลาพระราชาพระสวามีเนี่ยพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะมาคลอดที่กรุงเทวทหักแต่เมื่อผ่านมาถึงที่สวนลุมพินีวันนั้นเห็นเป็นสถานที่ลืดลมพระนางนั้นก็จึงได้เสด็จลงประพาสเล่นในขณะนั้นเองลมกรรมชวาตก็ได เกิดขึ้นคือว่าเกิดไปชวนพระคันขึ้นจะกลับกรุงกบิลพัทก็กลับไม่ทันจะไปกรุงเทวทหานั้นก็ไปไม่ทันเพราะสวนลุมพินีวันนี้อยู่ระหว่างก ล, งกลางของเมืองทั้งสองคือกรุงกบิลพัทกับกรุงเวกรุงเทวทหะแต่ว่าค่อนข้างใกล้ไปทางกรุงเทวทหะหมดเป็นเช่นนั้นแล้วอาหมาทั้งหลายก็จึงได้จัดสถานที่ให้ตามมีตามเกิด ที่ใต้ต้นสาระโดยการที่ใช้ผ้าแหวดล้อมเป็นวงขึ้นแล้วก็ตนเองก็อยู่ภายนอกให้พวกสนมตำนันที่เป็นฝ่ายหญิงนั้นก็เข้าไปทําการคลรอดพนาง น, นั้นก็ใช้พระหัตถ์ขวาน้น่เห น, นียวกิ่งลังแล้วพระปิสดางคืนหลังนั้นก็พิงต้นสาระเป็นกา ร, รยืนประสูดพระโอรสหรือจะเรียกว่าครึ่งยืนครึ่งนั่งแบบนั้น ก็ประสูติพระโอรสออกมาที่สวนลุมพินีวันนั้นเองนี่เป็นการที่เรียกว่ามติของอาจารย์ทั้งสองว่าการที่เหตุที่ไปประสูติที่ลุมพินีวันนั้นมีมติเป็นคนละแบบเพราะฉะนั้นเมื่อทหาจะมีปัญหาว่าเหตุใดพระพุทธพระมหาบุรุษนั้นจึงไปประสูติที่สวนลุมพินีวันนั้นนักเรียนจะต้องตอบเป็นสมไหน คือจะต้องตอบตามมาติของอาจารย์ทั้งสองจะเป็นอาจารย์มติอาจารย์อุนดังหนึ่งไม่ได้เพราะเราก็เกิดไม่ทันไม่ทราบว่าเนื้อความไหนจะถูกต้องหรือว่าอ่าจะเข้าๆเพราะฉะนั้นต้องตอบไปตามมาติของอาจารย์ทั้งสองจึงจะได้เต็มอันนี้ขอให้นักเรียนนั้นนะ่ะใส่ใจหรือว่ากําหนดไว้ด้วยอันในเวลาที่พ <c oughs> ระสูตรนั้นพระนางนั้นก็ กระสูดใต้ ต, ต้นต้นไม้สาระสาละนี้เราโดยมากเรียกทับศักด์แต่บางท่านก็แปลว่าต้นหลังก็ะคล้ายๆต้นหลังบ้านเรานี่ยเองสถานที่ลุมพินีวันนี้นั่นนะ่ะอยู่ที่ตําบลลุ ม, มินเดแขวงเปชวาซึ่งอยู่ในประเทศเนปาลปัจจุบันนะกรุงแทกุงกบิลพัทหรือว่าลุมพินีวันเนี่ยอยู่ในเขตในปัจจุบันนี้อยู่ในเขต ประเทศเนปาลแต่ว่ากรุงเทวทหานั้นอยู่ในเขตประเทศอินเดียนี่ก็แสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยอินเดียกับเนปาล น, นี่ก็เป็นชุมภูทวีปเป็นประเทศเดียวกันนั่นแหละนะอันนี้พระองค์ก็ได้เสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกที่สวนลุมพินีวันนั้นในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกก่อนพุทธศตวรรษแปดสิบปี อันนี้นักศึกษาก็ต้องจำด้วยว่าจะไปตอบเฉยๆว่าประสูตธเมื่อวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเฉยๆไม่ได้เพราะวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนั้นน่ะมีทุกกรัรโดยการทุกปีเพราะนั้นเราต้องตอบให้แจ้งไปว่าก่อนพุทธศกแปดสิบปีทำไมจึงใช้ทำว่าก่อนพุทธศกแปดสิบปีพุทธศกนั่นคือพศพศนี่ ที่เริ่มพอสอนหนึ่งหรือตั้งขึ้นนั้นหลังจากที่พระพุทธองค์เรานิพพานในหนึ่งปีพระพุทธองค์นั้นนิพพานในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเมื่อมาครบรอบหนึ่งปีแล้วก็จึงได้ตั้งเป็นพอสอนหนึ่งนี่เพราะฉะนั้นคําว่าก่อนพุทธศกแปดสิบปีนี้ก็คือว่าพระองค์นั้นเมื่อประสูติมาแล้วมีพระชนมายุอยู่ถึงแปดสิบปีหรือแปดสิบพรรษาเพราะฉะนั้นก็แปลว่า ก, ก่อนที่พระพุทธองค์นั้น จะนิพพานน be like ั้นแปดสิบปีคือเกิดก่อนที่จะนิพพานแปดสิบปีนั่นเองเราจึงใช้คำว่าก่อนพุทธศกแปดสิบปีอันนี้นักเรียนต้องเข้าใจด้วยนะและต้องจดจำด้วยเมื่อประสูนรนั้นอันนี้ก็เป็นเชิงอพินิหารเหมือนกันนะ ันพระกาจาร์คันธรจนาจารย์ก็ได้กล่าวเป็นเชิงพินิหารว่าเมื่อพระองค์นั้นประสูตรออกมานี้ก็สามารถดำเนินไปได้เจ็ดเก้าแล้วก็เปล่งอาสพิวาจาคือเรียกว่ากลับออกมาได้อันนี้ก็น่าจะสนใจเหมือนกันการที่เดินไปเจ็ดเก้านี้อันนี้เป็นการที่เรียกว่า ทำให้ในตาของมนุษย์เห็นแต่ไม่ใช่ว่าพระองค์เห็นพระองค์เดินไปเจ็ดก้าวแล้วพระองค์เดินไปแล้วเนี่ยแล้วต่อไปพระองค์ก็จะเดินได้เลยไม่ใช่นั้นก็คงเป็นทารกแบเบาะอยู่นั่นเองสำหรับในเรื่องนี้ได้เคยเรียนถามท่านผู้ที่มีความรู้ถามว่าการที่ประสมมาแล้วเดินไปดำเนินไปได้เจ็ดก้าวเนี่ยมีบางท่านเห็นว่าเป็นของที่เหลือเชื่อจะมีความเห็นเช่นไรท่านก็บอกว่า ความจริงแล้วนะ่ะในโลกเหล่านี้ก็มีบางชนิดที่เกิดขึ้นมาแล้วนสามารถเดินได้เพราะน่าการที่เกิดมาแล้วสามารถเดินได้เนี่ยจึงไม่ใช่เป็นของที่เหลือเชื่อเพราะเราไปเห็นอยู่แต่องค์สึ่งเดียพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์บำเพ็ญบารมีมาอย่างยิ่งใหญ่ถ้าหากจะสามารถที่ทําให้มนุษย์ตามนุษย์เรานะ่ะเห็นเป็นอรินิหารอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อไม่เป็นประการหนึ่ง ที่ว่าดําเนินไปด้วยพระบาทเจ็าก้าและอีกประการหนึ่งนั้นที่ว่าเปล่งอาสพิวาจาอาสพิวาจานี่แปลว่าเปล่งวาจาอย่างอาถรรพ์ย่างแบบไม่กลัวใครเพราะพระองค์มองดูแล้วว่าในทิศทั้งสิบนี้ไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระองค์พระองค์จึงได้เปล่งมาเช่นนั้นคําว่าไม่ยิ่งใหญ่นี่คือว่าไม่สระไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่กว่าพระองค์โดยในด้านคุณธรรม ในหน้านคุณธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงได้เปล่งอาสพิวาจาอย่างอัฏฐานมาถ้าเราจะแปลกันแบบภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าพูดแบบนักเรลงโตอาสพิวาจานั้นพระองค์ก็ได้เปล่งออกมาว่าอัโคหัมมัสมิโลกัสสะข้าพเจ้านั้นเป็นคนยอดที่สุดในโลกเชธโธหัมมัสมิโลกัสสะข้าพเจ้านั้นเป็นพี่ชายใหญ่ที่สุดในโลกหรือเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเศถโธหัมมัสมิโลกัสสะ ท้าวเจ้านะั้นเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดในโลกเขาเรียกว่าประเสริฐกว่าใครที่กว่าใครในโลกอายามันติมาชาตินาิธานิปนุนโภวชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกแล้วหรือว่าชาติหน้าไม่มีอีกแล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันบางคนฟังแล้วเห็นว่าเป็นการเหลือเชื่อมีหรือว่าคนเราเน่เกิดขึ้นมาแล้วจะพูดใดแต่ความจริงถ้าเราคิดดูให้ดีนะฮะ คืเราทุกคนเกิดมาเนี่พูดได้ทุกคนถ้าคนไหนพูดไม่ได้ก็แสดงว่าเด็กคนนั้นเป็นใบเป็นใบไอการพูดนี่ก็คือการเปล่งเสียงออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเกิดในหมายที่คลอดออกมาแล้วต้องร้องทุกคนท่นี้ไอเรื่องร้องนั้นเนี่ยเด็กก็ร้องมาออกอย่างแบบที่ว่าไม่เป็นภาษา แต่ว่าสมเด็จองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อจะเปล่งออกมาหรือว่าเสียงล่อมาเนี่ยจนคนฟังรู้เรื่องเนี่ยมันจะเกินหรือว่าเหลือวิสัยไปเฉลือพราเราเท่าเราจะคิดถึงเรื่องของบารามีของพระองค์นั้นพระองค์งได้บำเพ็ญบารามีมานั้นถึงสี่อสงไขยกับหนึ่งแสนกับต้องการที่จะเป็นพุท ธ, ธเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์บารามีบำเพ็ญบารามีเช่นนี้มาพระองค์สามารถที่จะตรัสออกมาได้ในวันประสูจนั้นมันจะเหลือเชื่อไปมากเฉลือด ทั้งๆ ท, ที่วเด็กทุกคนออกมานี่ยก็สามารถเปล่งเสียงได้นี่ขอให้ท่านนักศึกษาหรือท่านผู้ใฝ่ใจนั่ะลองนําไปคิดและพิจารณาดูว่ามันจะเป็นการเหลือเชื่อไปหรือไม่ในการที่พระพุทธอาพระพระโพธิสัตว์ของเรานั่นนะเมื่อประสูติออกมาแล้วทรงดําเนินไปได้เจ็ดเก้าวโดยตาของคนเห็น mm. แล้วก็สามารถเปล่งอาสภิวาจ่าได้อันนี้ขอฝากไว้สําหรับท่านนักศึกษา ที่จะไปมีสิทธิ์ที่จะไตรตรองพิจนารณาได้อย่างอิสระเสรีภาพถ้าเจ้าสุโธทนานั้นเมื่อได้ทราบว่าพระนางเจ้าสุริสมหามายานั้นประสูติพระราชโอรสแล้วก็จึงสั่งให้อันเชิญกลับพนครคือว่าเรื่องที่จะไปสู่กรุงเทวทหานั้นไม่จำเป็นอีกแล้ว เพราะเหตุที่จะไปกรุงสู่กรุงเทวทหานั้นเพื่อต้องการที่จะประสูติพระราชโอรสแต่ว่าได้ประสูติแล้วก็เรียกว่าหมดภาระกันก็จึงได้อัญเชิญกลับนี่เป็นการที่ อ, องค์พระมหาบุรุษหรือว่าพระโพธิสัตว์ของเรานั้นประสูติที่หลวนสวนลุมพินีวันซึ่งมีคติเป็นสองประการเช่นนี้เอาละท่านสาธุชนและท่านนักศึกษาทั้งหลาย วันนี้ก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงแค่นี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร